ถ า, ถามได้ขอกราบนอบน้อมพระอาจารย์ก็กระผมขอกราบเรียนถามก็กระผมได้อ่านหนังสือในตัวของสติปฐานสี่มีสี่อย่างถ้าหากว่าเราบริกรรมภาวนาในสี่อย่างนี้ถ้ามันเกิดตัวไหนขึ้นก็คือให้พิจารณาตัวนั้นหรือว่าให้พิจารณาแค่ตัวนั้นไปตลอดจนกรรมฐาน อ๋อไม่ใช่หรอกสติปทานสีนี่มันเป็นหลักสูตรให้เจริญสีสมาธิปัญญา เ, เราอ่านกันแล้วเราไม่เข้าใจความจริงมันเป็นเรื่องของออหลักสูตรของการเจริญสติสมาธิและปัญญาเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ที่ เกิดจากความอยากความอยากที่ไปอยากกับร่างกายอยากกับเวทนาอยากกับจิตใจอยากให้มันเป็นไปตามความอยากของเราแต่ร่างกายเวทนากับจิตมันไม่ได้เป็นไปตามความต้องการความอยากของเรามันเลยจึงทำให้เราทุกข์แต่ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของ กายของเวทนาของจิตแล้วเรามีสติมีสมาธิเรามีปัญญาเข้าใจความจริงของกายเวทนาจิตเราก็สามารถที่จะปลดเปื้องจิตของเราให้ไม่ให้ไปทุกข์กับ กายเวทนากับติตได้ตอนนี้เราทุกข์กับกายร่างกายนี้เราทุกข์ทุกข์กับมันเพราะอะไรเพราะมันเราไม่อยากให้มันแก่แต่มันแก่เราไม่อยากให้มันเจ็บแต่มันต้องเจ็บเราไม่อยากจะตายแต่มันก็ต้องตายเวทนาเราก็อยากจะให้มันสุข ไม่อยากให้มันทุกข์อยากจะให้มีแต่สุขเวทนาแต่เวทนามันก็ไม่สุขอย่างเดียวมันมีสุขบ้างทุกข์บ้างไม่สุขไม่ทุกข์บ้างสลับผัดเปลี่ยนไปในแต่ละวันในแต่ละเวลาจิตของเราก็มีอารมณ์แปรป่วนเดี๋วดีเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวสดใสเบิก บ, บาน เดี๋ยวเศร้าหมองเดี๋ยวเครียดเดี๋ยววิตกเดี๋ยวกังวลอ่านี่คือธรรมชาติของกายของเวทนาของจิตที่เราไม่รู้จักเราเลยไปคิดว่าเราสามารถที่จะควบคุม กายเวทนาจิตของเราได้ควบคุมให้กายของเราแข็งแรงสมบูรณ์เป็นหนุ่มเป็นสาวไปเรื่อยไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเวทนาเราก็คอยควบคุมให้มีแต่สุ ข, ขเวทนามีทุกขเวทนาเราก็กำจัดกันพอมีทุกขเวทนาโผล่ขึ้นมาเราก็กำจัดมัน พอไม่มีสุขก็เวทนาเราก็ไปหามันนี่นี่คือความทุกข์ของพวกเราทุกข์ที่พวกเราไปยุ่งกับร่างกายยุ่งกับเวทนายุ่งกับจิตเพราะเราอยากได้ส่วนที่ดีของมันส่วนที่ไม่ดีเราไม่ต้องการแต่เมื่อเราไปยุ่งกับมันเราก็ต้องไปเจอทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดี พอเจอส่วนที่ไม่ดีเราเลยทุกข์กันนะันี่คือเรื่องของสติปัฏฐานสี่เป็นหลักสูตรของการเจริญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาถ้าในเบื้องต้นในสติปัฏฐานท่านสอนให้เจริญสติก่อน ขั้นที่หนึ่งของการเจริญสมถวิปัฏนาภาวนาก็คือต้องมีสติก่อนให้ฝึกสติตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับลืมเติมตาลืมตาขึ้นมาก็าให้ตั้งสติให้เจริญสติวิธีเจริญสติก็ให้ผูกใจให้อยู่กับการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายในทุกอิริยาบถ ในทุกการกระทำของร่างกายให้ใจเฝ้าดูร่างกายตลอดเวลาพอลืมตาขึ้นมาเวลานอนตื่นนอนขึ้นมาลืมตาขึ้นมาก็ต้องตั้งสติดูร่างกายแล้วตอนนี้ร่างกายอยู่ในท่าไหนอยู่ในท่านอนแล้วต่อไปมันก็จะอยู่ในท่านั่งพอมันต้องลุกขึ้นมาจากพอตื่นก็ต้องลุกจากท่านอนก็ขึ้นมาอยู่ที่ท่านั่ง อยากท่านั่งก็มาอยู่ที่ท่ายืนพอยืนแล้วก็ไปเดินเดินไปข้อเข้าห้องน้ำเดินไปทำอะไรทาภารกิจของร่างกายอันนี้ให้ใจเกาะติดอยู่กับการเคลื่อนไหวกับการกระทาของร่างกายเรียกกายกตานุสติปัฏฐานกายกตาสติปัฏฐานให้มีสติให้ฝึกสติให้เจริญสติ ให้ตั้งสติอยู่ที่ร่างกายอันนี้เป็นข้อข้อที่หนึ่งของสติปัฏฐานคือให้ฝึกสติก่อนเมื่อเราคอยควบคุมจิตให้เกาะติดอยู่กับร่างกายในทุกกิริยาบทของการเคลื่อนไหวพอเราทำกิจกรรมต่างๆที่เราต้องทำเรามีเวลาว่าง ก็ไปนั่งเฉยๆนั่งหลับตาแล้วก็ให้ตั้งสติอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกอาณาปานะสตินองไปอ่านสติปัฏฐานสูตร ด, ดีข้อแรกท่านก็สอนให้พระไปนั่งโคนต้นไม้ไปหาที่สงบโคนต้นไม้เป็นปา่าอยู่ในป่าในเขาที่สงบ แล้วก็นั่งหลับตานั่งคัศมาตั้งตัวให้ตรงแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกมีสติอยู่กับการหายใจเข้าออกของลมหายใจอันนี้เป็นการนั่งสมาธิแต่จะนั่งสมาธิได้ต้องมีสติก่อนถ้าไม่มีสตินั่งดูลมหายใจจะดูไม่ได้ใจจะไปคิดเรื่องต่างๆ ไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้นั่งก็จะรู้สึกอึดอัดเดี๋ยวก็ทนนั่งไปไม่ได้นั่งได้ห้านาทีสิบนาทีก็นั่งไม่ไหวแล้วนี่แสดงว่าไม่มีสติอย่างไม่ได้มีการเจริญสติถ้าจะมีการเจริญสติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาพอลืมตาขึ้นมาก็ ดูเลยว่าตอนนี้ร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ร่างกายกำลังนอนอยู่ทีนี้จะไปทำกิจก็ต้องลุกขึ้นมาก่อนขณะที่ลุกก็ต้องมีสติดูมันนะดูเฝ้าดูร่างกายเหมือนกับเป็นยามยามเฝ้าดูนักโทษเนี่ยไม่ให้คลาดจากสายตาของยามยามอย่าไปคุยกับคนนั้นอย่าไปคุยกับคนนี้ ยามต้องคอยเฝ้านักโทษทุกทุกขณะทุกเวลาใจต้องอยู่กับร่างกายทุกเวลาอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็ปล่อยให้ร่างกายทำอะไรไปตามตามตามเรื่องของมันปล่อยให้ร่างกายเดินปล่อยให้ร่างกายยืนปล่อยให้ร่างกาย เข้าห้องน้าอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแต่ใจไม่ได้อยู่กับร่างกายตลอดเวลาอยู่แป๊บแล้วก็ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้นี่คือลักษณะของคนที่ไม่มีสตินะครับอย่างพวกเราเนี่ยทำอย่างนี้อาบน้ำไปก็คิดถึงคนนั้นคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้เช็ดตัวก็คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่งตัวก็คิดถึงคนนั้นคนนี้ ไม่ได้อยู่กับเรื่องที่ร่างกายกำลังทำอยู่อย่างต่อเนื่องใจจึงไม่มีสติพอที่จะควบคุมใจให้สงบให้นิ่งได้นะในเบื้องต้นพรุทธเจ้าจึงสอนให้เจริญสติที่กายกตาสติก่อนไปดูบทกายกตาสติท่านให้ดูอิรลียบทของร่างกายดูการกระทาของร่างกาย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 ของนักปฏิบัติของสติปฐานสีท่านปฏิบัติอย่างนี้อย่างพวกเรานี้ไ ม, ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้เซี่ยวหนึ่งของการปฏิบัติเพราะเราไม่ฝึกสติกันอย่างต่อเ น, นื่องเราไม่ต้องถามเร า, เรารู้อนุญาโมผู้ท่านที่ฟังอยู่ขณะ น, นี้ไม่เจริญสติอย่างในสติปฐานสี่ไม่ไม่มีการควบคุมเฝ้าดูจิต ควบคุมจิตให้เฝ้าดูร่างกายอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็ไปนู่นแล้วเดี๋ยวก็คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ถ้าจิตมันวับไปวับมาเวลานั่งสมาธมิให้มันดูลมมันก็ดูวับแล้วมันก็ไปวับเรื่องอื่นไปวับไปเรื่องนั้นวับไปเรื่องนี้นั่งไปยังไงก็ไม่มีวันที่จะสงบไม่มีวันที่จะเน่งได้น นี่แ่ะคือสติปัฏฐานสี่เพียงแต่ข้อที่หนึ่งข้อสติก็สอบตกแล้วถ้าสอบตกข้อที่หนึ่งจะไปข้อที่สองมันก็ไปไม่ได้แล้วคือไปนั่งสมาธินั่งดูลมดูลมหายใจเข้าออกที่เรียกว่าอาณาปณ ะ, ะสตินั่งเพื่อให้จิตรวมเป็นหนึ่งเป็นอัปปนาสมาธิเนี่ย ถ้าเป็นอัปปนาสมาธิจิตรวมเป็นหนึ่งจะเป็นอุเบกขาจะสักแต่ว่ารู้และจะนิ่งได้นานนั่งได้ทีครึ่งชั่วโมงโชั่วโมงสองชั่วโมงอันนี้นี่ขั้นที่สองคือข่้นสมาธิขั้นที่หนึ่งก็ฝึกสติก่อนให้มีสติเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายในทุกขณะทุกเวลา ไม่สนใจไปอดีตไม่ไปอนาคตให้อยู่ในปัจจุบันปัจจุบันก็คือร่างกายคนที่จะทำการเจริญสติแบบนี้ได้ต้องเป็นคนที่ไม่มีงานทำเข้าใจัหอญาติโยมมีงานทำเดี๋ยวต้องคิดแล้วว่าเดี๋ยวจะไปทำนู่นเดี๋ยวจะไปทำนี่เดี๋ยวจะต้องไปติดต่อคนนั้นติดต่อคนนี้ใช้ความคิดตลอดเวลา การฝึกสตินี่ก็เพื่อให้หยุดความคิดคนที่จะเจะริญสติในสติปัฏฐานสี่ด้นต้องเป็นพระเท่า น, นั้นแหะต้องเป็นนักบวชหรือเป็นโยมที่มีวันว่างวันหยุดทำงานอย่างเงี้ยมาอยู่วัดสักสามวันห้าวันไม่มีงานทำไม่ต้องคิดถึงใครให้คิดอยู่กับร่างกายเพียงอย่างเดียวให้เฝ้าดูร่างกายตลอดเวลา เวลาที่เราต้องดูแลเลี้ยงดูร่างกายเราก็เฝ้ามันอาบน้ำให้มันเอาเลี้ยงข้าวให้มันเลี้ยงน้ำให้มันแต่งตัวให้มันอันนี้แหละคือการฝึกสติจะฝึกสติได้อย่างสม่าเสมออย่างต่อเนื่องอย่างเป็นกออเป็นกรรมนี้ต้องไม่ทำภารกิจอย่างอื่นมีภารกิจอย่างเดียวคือจเจริญสติ กับเจริญสมาธินถ้ามีสติแล้วพอเราไม่ต้องทํากิจกรรมอะไรต่างๆร่างกายเราดลี้ยมันดื้อแล้วให้อาหารมันกินแล้วอาบน้ําอาบทาให้มาแล้วงานที่เราต้องทําเช่น ง, งานกวาดบ้านถูบ้านหรือทําความสะอาดอะไรเ อ, อเมื่อเราทําเสร็จแล้วเราก็มานั่งสมาธิกัน อ, อมานั่งหลับตานั่งทัดสมาหลับตา ตั้งตัวให้ตรงแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ให้ทำเท่านี้ไม่ให้ไปทำอย่างอื่นไม่ใช่หายใจเข้าก็รู้ปั๊บแล้วก็ไปหาคนนู้นแล้วหาคนนี้แล้วหาสิ่งนั้นหาสิ่งนี้แล้วหาเรื่องนั้นหาเรื่องนี้แล้วถ้าทำอย่างนี้นั่งสมาธิไปจิตไม่เป็นหนึ่ง การที่เราให้มันอยู่กับเรื่องเดียวเพื่อให้มันรวมเป็นหนึ่งเราต้องการจะรวมกระแสจิตที่กระจายออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายให้มันกลับเข้ามารวมกันในใจให้มันเป็นหนึ่งเป็นสัตว์แต่ว่ารู้แต่ถ้ามันกระจายออกไปมันจะคิด คิดถึงรูปที่ได้เห็นคิดถึงเสียงที่ได้ยินคิดถึงกลิ่นที่ได้ดมคิดถึงรสที่ได้สัมผัสเนี่ยได้ลิ้มรสเนี่ยมันจะคิดไปเรื่อยๆถ้าคิดไปเรื่อยๆนั่งสมาธิก็จะไม่มีวันสงบได้นี่คือขั้นตอนของการปฏิบัติในสติปัฏฐานสี่ขั้นที่หนึ่งจะเรินสติก่อน ให้หยุดความคิดให้เฝ้าดูด้วยการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทำต่างๆของร่างกายเพราะว่าเราทุกเราต้องการเรามีการเราต้องมีหน้าที่ทำอะไรต่างๆในแต่ละวันหน้าที่หลักก็คือเลี้ยงปากเลี้ยงทองดูแลรักษาความสะอาดของขอ ง, ของใช้ไม้สอยที่เราใช้เท่านั้นแหละนี่คือหน้าที่ ของร่างกายพระที่มาบวชหรือญาติโยมที่มาอยู่วัดก็มีหน้าที่เหมือนกันคอยดูเลี้ยงดูร่างกายตื่นขึ้นมาก็หาข้าวหาน้ำให้มันกินแล้วก็ถ้าต้องทำความสะอาดกวาดถูที่พักก็ทำไปถ้ามีเสื้อผ้าที่จะต้องซักก็ซักไปอันนี้ทำหน้าที่ขณะที่ทำหน้าที่ใกล้มีสติอยู่กับหน้าที่นั้นๆ อย่าให้ไปคิดถึงคนที่บ้านอย่าให้ไปคิดถึงคนที่ทำงานอย่าให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องร้อยแปดพันประการนี่คือการฝึกสติต้องฝึกแบบนี้ เ, เรื่องมือถือนี่ก็ปิดเลยอย่าไปยุ่งกับมันเลยถ้าไปยุ่งก็ไม่มีสติแล้วส่งจิตไปหาคนนั้นคนนี้ คุยกันไปคุยกันมาโต้กันไปตอบกันมาพ้งสร้างไปอันนี้ต้องตัดถ้าอยากจะฝึกสติต้องตัดทุกสิ่งทุกอย่างเดเหยื อ, อยู่เพียงเนื้อสิ่งเดียวที่ยังตัดไม่ได้ก็คือร่างกายแต่ของอย่างอื่นนี้ต้องตัดไปให้หมดครอบครัวญาติพี่น้องการงานทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง ตัดชั่วคราวหรือตัดถาวรก็ได้อย่างญาติโยมมาอยู่วัดสามวันห้าวันก็ตัดชั่วข่าวมาทําตัวเป็นเหมือนคนไม่มีทรัพย์สมบัติไม่มีภารกิจการงานไม่มีอะไรทั้งนั้นเอเป็นเหมือนนักบวชเป็นเหมือนพระเอไม่มีทรัพย์สมบัติไม่มีลาบยศสละเสริญเอไม่มีรูปเสียงกลิน่นรสปวดทพะให้เสพเอมี หน้าที่เพียงอย่างเดียวคือฝึกสติคอยควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้อยู่กับเรื่องเดียวคือเรื่องของการเคลื่อนไหวของการกระทําต่างๆของร่างกายนะนี่คือบทที่หนึ่งของในสติปัฏฐานสคือให้ฝึกสติก่อน เมื่อเราฝึกสติได้แล้วเวลาเรานั่งสมาธิขั้นที่สองก็ให้นั่งสมาธิจิตมันไม่นิ่งด้วยสติถ้าร่างกายยังเคลื่อนไหวอยู่ถ้ามีการเคลื่อนไหวจิตยังต้องสั่งการให้ร่างกายเคลื่อนไหวจิตยังต้องทำงานอยู่ถ้าต้องการให้จิตหยุดพักการทำงานก็ต้องจับให้ร่างกายนั่งอยู่นิ่งๆไม่ให้ไม่ให้ร่างกายทำอะไร เวลาร่างกายนั่งเฉยๆจิตก็ไม่ต้องสั่งให้มันทำอะไรแต่ถ้ายังต้องเดินต้องทำนู่นทำนี่จิตยังต้องเป็นคนสั่งการอยู่ถ้าต้องการให้จิตหยุดทำงานก็ต้องหยุดร่างกายให้นั่งกายนั่งเฉยๆนั่งขัดสมาธิหลับตาตั้งตัวให้ตรงแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออก อันนี้หละจะเป็นการค่อยๆทำให้จิตเบาสงบลงไปเรื่อยๆดูไปอย่างเดียวดูลมเข้าดูลมออกเดี๋ยวมันก็จะรวมเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้ขึ้นมาเป็นอุบเบกขาขึ้นมาสงบสบายมีความสุขเนี่นี่คือสติปัฏฐานขั้นที่สองคือขั้นฝึกสมาธิด้วยอาณาปณะสติ ในสติปฐานสูตรลองไปอ่านดูพระพุทธเจ้าเริ่มที่อานาปนาสติเลยให้ผู้ปฏิบัติไปหาที่สงบเช่นนั่งตามโคนไม้นั่งอยู่ในปา่าที่สงบสงัดวิเวกห่างไกลจากสิ่งรบกวนใจต่างๆแล้วก็ให้มีสติเฝ้าดูลมหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจเข้าหายใจออก สั้นก็รู้ว่าสั้นยาวก็รู้ว่ายาวหยาบก็รู้ว่าหยาบละเอียดก็รู้ว่าละเอียดลมหายไปก็รู้ว่าหายไปไม่ต้องไปทำอะไรทั้งนั้นให้รู้เฉยๆอย่าไปปรุงแต่งบางคนพอมาถึงขั้นลมหายไปก็ตกใจลมหายใจเดี๋ยวเราตายหรือเปล่าไม่มีลมหายใจรีบรีบรีบสูดลมแลรงๆ จิตจะรวมก็รวมไม่ได้เพราะจิตจะต้องปล่อยลมมันถึงจะรวมรวมได้ร่างกายมันก็หายใจของมันไปเพียงแต่ว่าเวลาที่ร่างกายนั่งเฉยๆไม่ได้ทำอะไรมันก็ไม่ต้องใช้ลมมากลมก็เลยเหมือนกับว่าหายไปแต่ความจริงมันไม่หายแต่ลมมันละเอียดละเอียดจนเราไม่สามารถสัมผัสรับรู้ได้แต่มันไม่หายไม่ตายไม่ต้องกลัว นั่งสมาธิดูลมหายใจแล้วลมละเอียดจนรู้สึกว่าหายไปไม่ต้องตกใจถ้าตกใจแล้วจิตมันจะถอนออกมามันจะถอนกลับมาหาลมแทนที่จะปล่อยลมจิตต้องการจะปล่อยลมปล่อยให้น่างกายมันหายใจของมันเองไม่ต้องกลัวเวลาจิตรวมนี่น่างกายก็ยังหายใจต่อได้เหมือนกับเวล า, เานอนหลับเวล า, เานอนหลับ ร่างกายมันก็หายใจของมันไปเราก็ฝันของเราไปใช่ไหมคนละเรื่องกันเลยไม่เกี่ยวกันไม่ต้องกลัวนให้รู้ให้รู้เฉยๆอย่าไปปรุงแต่งอย่าไปตกใจว่าโอ๊ยลมหายไปเราจะตายหรือเปล่าเนี้ยถ้าไม่มีลมหายใจคิดอย่างนี้แล้วจิตก็จะหยาบถอนออกมาแทนที่จะรวมเป็นหนึ่งก็กระจายออกมาที่ร่างกายเอ นี่คือการนั่งดูลมจะต้องเจอแบบนี้อย่าไปตกใจเวลาจิตมันจะรัวมันก็จะวุบลงไปเหมือนตกหลุมตกบอ่ออาจจะไม่ตกแบบตกเหวก็ได้อาจจะตกแบบเบาๆวุบนิ่งแล้วก็สงบบางทีก็ตกตกหลายขั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามเหมือนขั้นบนันไดแล้วแต่มันจะเป็นยังไงเราไม่ต้องไป ไปวิภาควิจารณ์ไม่ต้องไปควบคุมบังคับไม่ต้องไปสั่งเรามีหน้าที่รู้อย่างเดียวดูอย่างเดียวรู้อย่างเดียวอย่าไปทําอะไรกับลมหายใจอย่าไปทําอะไรกับใจกับจิตเนี่ยให้เราเป็นผู้เฝ้าดูเพียงอย่างเดียวแล้ว เ, เดี๋ยวจิตมันก็จะทําหน้าที่ของมันเองเดี๋ยวมันก็จะรวมเป็นหนึ่งสักแต่าว่ารู้แล้วพอมันรวมแล้วมันก็จะเนิ่งสงบมีความสุขเป็นอย่างมากะ พอมันสงบแล้วก็ให้มีสติอยู่กับความสงบนั้นดูความสงบนั้นต่อไปอย่าไปทำอะไรอย่าไปอย่าไปวิปัสสนาตอนนั้นยังไม่ใช่เป็นเวลาที่จะวิปัสสนาไม่ใช่เวลาที่จะเจริญปัญญาเป็นเวลาที่กำลังชาร์จแบตเตอรี่เวลาเราชาร์จแบตเราอย่าไปใช้เครื่องใช้แล้วเดี๋ยวมันแบตมันไม่เต็ม เราให้มันเต็มก่อนแล้วเราจะได้ออกไปใช้ที่ไหนก็ได้ถ้าใช้ในขณะที่ชา้าไปแบตบมันก็จะไม่เต็มจิตก็เหมือนกันเวลาจิตสงบนี้เราต้องการให้จิตสงบให้นานที่สุดเพราะเป็นเหมือนเวลาเติมอาหารให้กับจิตเป็นเวลาพักผ่อนของจิตร่างกายก็เหมือนจิตร่างกายเวลาไปทำงานกลับมาก็เหนื่อย ก็ต้องมีการพักผ่อนหลับนอนมีการรับประทานอาหารช่วงนั้นเราไม่ทํางานกันเวลาเรากลับมาบ้างจากที่ทํางานนี้เราทิ้งงานไม่สนใจเรื่องงานเราสนใจเรื่องพักผ่อนหลับนอนเรื่องการให้อาหารกับร่างกายใจของเราก็เหมือนร่างกายที่ต้องการพักผ่อนหลับนอนต้องการร่างต้องการอาหาร อาหารก็คืออาหารและการพักผ่อนหลับนอนของใจก็คือการเข้าสมาธินี่เองเข้าสู่ความสงบเั้นขณะที่จิตสงบอย่าไปรบกวนอย่าไปดึงจิตมาพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตอันนี้ไม่ใช่ไม่ต้องไม่ต้องทารอให้จิตได้พักผ่อนเต็มที่เมื่อจิตได้อิ่มตัวแล้วมันจะตื่นมันจะออกจากสมาธิเอง ออกจากความสงบแล้วก็มาเริ่มคิดปรุงแต่งเนี่ยพอมาเริ่มคิดปรุงแต่งเราก็เอามาพิจารณาร่างกายเป็นข้อที่หนึ่งพิจารณาร่างกายก่อนเพราะเป็นด่านที่หนึ่งด่านที่สองก็เวทนาด่านที่สามก็จิตเนี่ยต้องไปสามด่านด้วยกันถึงจะไปถึงด่านที่สี่คือทมได้ อันนี้เป็นขั้นตอนก็เป็นเหมือนเรียนร ะ, ระดับปริญญาตรีโทเอกไม่ใช่นึกอยากจะเอาวิชาไหนระดับไหนก็เลือกเอามาอันนี้ไม่ใช่การปฏิบัติไม่ได้เป็นแบบนั้นการอ่านหนังสืออาจจะเป็นแบบนั้นอยากจะอ่านเรื่องจิตก็อ่านได้อ่านจะเรื่องเวทนาก็อ่านได้เรื่องกายก็อ่านได้แต่อ่านไปก็เท่านั้นถ้าไม่สามารถมามาปฏิบัต กับกายกับเวทนากับจิตได้การอ่านกับการปฏิบัติไม่เหมือนกันอ่านง่ายอ่านรู้ว่าเอาลั่งกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่การมาทำใจกับการแก่การเจ็บการตายนี่มันไม่ง่ายมันยากมันไม่ยอมกิเลสมันไม่ยอมแก่ไม่ยอมเจ็บไม่ยอมตายมันก็เลยสร้างความทุกข์ให้กับใจเวลาที่เจอความแก่เจอความเจ็บเจอความตาย เราต้องการมาแก้ปัญหาตัวนี้แก้ปัญหาคือความเจ็บความความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายจะทำจะแก้ตัวนี้ได้ต้องมีสมาธิต้องมีสติก่อนเหมือนกับคนที่จะไปทำงานถ้ายังไม่พักผ่อนหลับนอนไม่ได้รับประทานอาหารจะไม่มีเรี่ยวแรงไปทำงาน งานของจิตก็คืองานปล่อยวางร่างกายถ้าไม่มีกำลังปล่อยไม่ได้ต้องมีกำลังแล้วก็ต้องมีมีดมาตัดตัดอุปท า, านคือความยึดติดกับร่างกายตอนนี้จิตของพวกเราติดอยู่กับร่างกายรักร่างกายหวงร่างกายห่วงร่างกาย หลงร่างกายหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายพอหลงว่าเป็นร่างกายก็อยากจะให้มันดีอยากจะให้มันแข็งแรงอยากจะให้มีกำลังวังชาก็จะไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากให้มันตายเพราะเราอาศัยร่างกายพาเราไปหาความสุขต่างๆพาเราไปหาสุ ข, ขเวทนา ต่างๆนี่คือเรื่องของขั้นที่สามคือขั้นวิปัสสนาพอเราได้สมาธิแล้วใจเรามีกำลังแล้วขั้นที่สามก็คือเราต้องมาสร้างวิปัสสนาสร้างปัญญาปัญญานี้เป็นเหมือนมีดที่เราจะเอามาตัดอุปทานคือความยึดติดกับในร่างกายถ้าเราไม่มีมีดเราก็จะตัดไม่ได้ ถ้าเรามีมีดแต่เราไม่มีกำลังก็ตัดไม่ได้เหมือนกันคนที่ไม่ได้กินข้าวไม่ได้พักผ่อนหลับนอนไม่มีเรี่ยวมีแรงเอามีดไปตัดกิ่งไม้ตัดต้นไม้ก็ตัดไม่ไหวไม่มีแรงตัดฉะันใดขั้นต้นต้องสร้างกำลังให้กับใจก่อนด้วยการฝึกสติฝึกสมาธิพอจิตได้สติได้สมาธิก็จะมีกาลังที่จะไปฟัน อุปทานไปฟันกิเลสตัณหาทีนี้จะไปฟันก็ต้องไปเอามีดมีดก็ต้องเอาจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาความจริงของร่างกายให้พิจารณาว่าร่างกายเป็นใจรักอ น, นิจจงอนัตตาทุกขงังร่างกายอนิจจงเที่ยงหรือไม่เที่ยง เที่ยงหรือไม่เที่ยงเกิดมาแล้วเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าออกมาจากท้องแม่แล้วเป็นเด็กไปอย่างนั้นตลอดหรือเปล่าออกมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเจริญเติบโตขึ้นมาเนี่นี่ก็ไม่เที่ยงแล้วเปลี่ยนแปลงคือไม่คาว่าเที่ยงก็คือเหมือนเดิมไม่เที่ยงก็คือไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนออริจินอลเนี่ยออริจินอลก็คือตอนออกมาจากท้องแม่เนี่ยออริจินอล แล้วมันก็เปลี่ยนไปตั้งแต่ออกมาเลยทีละเล็กทีละน้อยวันละนิดวันละหน่อยถ้าเราไม่สังเกตเราก็อาจจะคิดว่าเหมือนเดิมแต่ถ้าเราถ่ายรูปตอนที่ออกมาวันแรกแล้วอีกเดือนหนึ่งมาถ่ายรูปดูอีกทีเหมือนเดิมไมไม่เหมือนละอันนี้คือไม่เที่ยงให้พิจารณาอย่างนี้ต้องพิจารณาตั้งแต่ต้นจนจบ ขบวนการของร่างกายเลยตั้งแต่ออกจากท้องแม่จนเข้าไปสู่ลงศพเลยนะนั่นแหละคือร่างกายออกมาแล้วเป็นทารกแล้วก็ค่อยเจริญเติบโตเป็นเด็กหญิงเด็กชายแล้วก็เป็นนายเป็นนางสาวต่อไปก็เป็นคนแก่คนชราต่อไปก็เป็นคนเจ็บอยู่ตามโรงพยาบาลเนี่ยไปเยี่ยมไปโรงพยาบาลดูเลย มีคนเจ็บมีทั้งแก่ไม่แก่มีเยอะแยะไปหมดนี่ก็อนิจจังไม่เที่ยงใช่ไหมทำไมไม่ทาไมต้องเจ็บด้วยถ้ามันเหมือนเดิมมันก็ต้องไม่เจ็บสิมันไม่เดือนเดิมมันเจ็บแล้วเดี๋ยวมันก็หายมันหายแล้วเดี๋ยวมันก็เจ็บเนี่ยเรียกว่าอนิจจาแล้วเดี๋ยวมันก็ตายแล้วเราห้ามมันได้หรือเปล่าสั่งมันได้เปล่า สั่งให้มันไม่แก่ได้ไหมให้มันหยุดแค่อายุสามสิบได้ไหมตอนเด็กๆ เ, เราค่อยคิดว่าเราขออยู่แค่อายุสามสิบห้าไม่อยากจะอยู่เกินสามสิบห้าเพราะไม่อยากแก่แต่หยุดไม่ได้มาเจ็ดสิบแล้วเนี่ยสั่งให้มันหยุดที่สามสิบห้าแต่มันเคอะมันไม่หยุดตามที่เราสั่งตอนนี้มันมาถึงเจ็ดสิบแล้วจะเข้าเจ็ดสิบหนึ่งนะ มันก็ไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวก็มันจะหยุดที่ตรงไหนเท่านั้นอ่ะไม่หยุดที่แปดสิบก็แปดสิบเอ็ดแปดสิบสองไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวมันมันต้องมีสักวันหนึ่งที่มันบอกหายใจไม่ไหวแล้วขอหยุดหายใจสักทีวันนั้นมันก็จบนี่คือขบวนการของความไม่เที่ยงของร่างกายที่พระเจ้าสอนให้เราพิจารณาอยู่เรื่อยๆทำไมต้องพิจารณาอยู่เรื่อย เพราะถ้าเราไม่พิจารณาเราจะลืมกันเราจะลืมว่าเราจะต้องมาแก่มาเจ็บมาตายกันท่าเลยต้องสอนให้เราคิดอยู่เรื่อยๆนี่แลอ้ยนี่คือปัญญาให้เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกายให้เห็นอนัตตาคือมันไม่ใช่ตัวเราของเราเราสั่งมันไม่ได้เราห้ามมันไม่ได้มันเป็นเหมือนพระอาทิตย์เนี่ย เราสั่งภาทิตย์เวลาขึ้นมาแล้วให้อยู่ตรงเจ็ดโมงเช้าได้ไหมอย่าให้มันขึ้นมาถึงเที่ยงถึงบา่ายพระอาทิตย์มันก็ขึ้นมาของมันแล้วมันก็ไปของมันได้เรื่อยนะจากหกโมงก็ไปเจ็ดโมงเจ็ดโมงก็ไปแปดโมงเก้าโมงไปเที่ยงไปบ่ายไปเย็นแล้วก็ตกไปไ ร่างกายเราก็เหมือนกับพระอาทิตย์โคจรเหมือนกับการโคจรของพระอาทิตย์เกิดแล้วเดี๋ยวก็แก่แล้วเดี๋ยวก็เจ็บแล้วเดี๋ยวก็ตายเป็นอนัตตาคือเรายับยั้งกระบวนการนี้ไม่ได้กระบวนการของร่างกายสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้แต่ใจเรามันมีกิเลสมันอยากไม่อยากจะหยุดกระบวนการนี้อยากจะหยุดความแก่อยากจะหยุดความเจ็บ อยากจะหยุดความตายกันพอเกิดความอยากขึ้นมามันก็เลยทําให้ทุกข์กันทุกข์ที่ใจไม่ได้ทุกข์ที่ร่างกายร่างกายเขาไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายแตใจที่ไปยึดไปติดกับร่างกายว่าเป็นตัวเราของเรานี่แหละไปเดือดร้อนแทนร่างกายไปทุกข์แทนร่างกายที่มาปฏิบัตินี้เพื่อมาสอนใจไม่ให้ไปทุกข์กับร่างกาย ให้ยอมรับความจริงของร่างกายว่าร่างกายจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจะยอมรับได้ก็ต้องเห็นความจริงว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วก็ต้องมีกําลังหยุดไอ้ตัวที่ต่อต้านคือกิเลสตันหาตัวที่ไม่ยอมรับความจริงคือตันหาความอยากไอ้ตัวนี้เราต้องใช้สติสมาธิหยุดมัน ส่วนปัญญานี่เรามาเป็นตัวที่มาสอนใจให้ยอมรับความจริงอย่าไปเข้าอย่าไปอย่าไปอยู่กับพวกกิเลสตัณหาให้มาอยู่กับความจริงให้มาตอนนี้ใจเราอยู่กับพวกกิเลสตัณหาใจเราอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเทีนี้เราต้องเอาปัญญามาสอนใจให้ยอมรับความจริงว่าอยากยังไงก็หยุดมันไม่ได้อยู่ดี อยากไม่แก่ก็หยุดความแก่ไม่ได้อยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็หยุดความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้อยากไม่ตายก็หยุดความตายไม่ได้ถ้าอยากลดจุดทุกข์ถ้าไม่อยากจะไม่ทุกข์แต่ความแก่ความเจ็บความตายก็มันก็เป็นของมันเหมือนกับแสงเหมือนกับผ้าทิศเนี่ย อาทิตย์มันก็โครจรของมันไปจากเช้าถึงเงย็นเราจะไปอยากให้มันหยุดหรือไม่หยุดมันก็หยุดมันไม่ได้ถ้าไปอยากให้มันหยุดเราก็จะทุกข์ไปเปล่าๆอันนี้คือเราต้องเปรียบเทียบให้เห็นว่าร่างกายการขบวนการของร่างกายนี้ก็เหมือนกับขบวนการของดวงอาทิตย์เนี่ยอาทิตย์ก็มีขึ้นมีตก ม, มีขึ้นมีตก ตอนเช้าพระอาทิตย์ก็ขึ้นตอนเย็นพระอาทิตย์ก็ตกร่างกายก็เหมือนกันตอนเกิดก็เหมือนกับตอนขึ้นตอนตายก็เหมือนกับตอนตกเหมือนกันหยุดมันไม่ได้แ้่แต่ทําไมเราไม่ทุกข์กับพระอาทิตย์อ่ะก็เพราะเรายอมรับความจริงของพระอาทิตย์ยอมให้พระอาทิตย์ขึ้นยอมให้พระอาทิตย์ตกไปตามเรื่องของเขาแต่กับร่างกายเราเรากลับไม่ยอมกัน เราต้องให้มันไม่ตกต้องให้มันอยู่ตรงเที่ยงวันให้มันอยู่ตรงสามสิบห้ากำลังดีนะสามสิบห้าเขาว่าชีวิตเริ่มต้นที่อายุสามสิบเพราะตอนนั้นสามสิบพร้อมทุกอย่างมีเงินมีทองมีความสามารถหาเงินหาทองได้มีความสามารถทำอะไรได้ทุกอย่างร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วย แต่มันเป็นนาทีทองเดี๋ยวเดียวที่เดี๋ยวแป๊บเดียวมันก็ผ่านไปนี่คือเรื่องของร่างกายถ้าพิจณ า, านี้เราเรียกว่าวิปัสสนาขนสูงวิปัสสนาทำไมต้องวิปัสสนาเพราะถ้าไม่วิปัสสนามันจะไม่ยอมรับความจริงมันก็จะอยู่กับความหลงความหลงที่คิดว่าร่างกายของเราจะต้องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย นี่คือวิปัสสนาถ้าเห็นความจริงแล้วเห็นโทษของการที่ไม่ยอมรับความจริงว่าจะทำให้เกิดความทุกข์ใจถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจก็ยอมรับความจริงไปเท่านั้นเองยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายแล้วก็จะสบายใจจะไม่ทุกข์ใจแก่อย่างสบายเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างสบายไม่ทรมานไม่ร้องอวดควร เพราะจะไม่ไม่มีความอยากให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยหายไปมันเจ็บก็เจ็บไปรักษาได้ก็รักษาไปมันไม่หายก็อยู่กับมันไปมันหายก็รู้ว่าเดี๋ยวมันก็ต้องกลับมาใหม่ <c oughs> ความเจ็บนี่มันไม่ยอมทิ้งเราหรอกเรารักษามันเสร็จเดี๋ยวมันก็กลับมาหาเราใหม่รักษาโรคนี้เสร็จเดี๋ยวโรคนั้นก็เข้าคิวมาจ่อคิวต่อเดี๋ยวรักษาท้องเสร็จ เดี๋ยวปอดมีปัญหาอีกแลเดี๋ยวรักษาปอดเสร็จอา่างไตมามีปัญหาอีกแล้วเดี๋ยวไปไตเสร็จอ้อมตับมาอีกแล้วมันเวียนกันมาอยู่เรื่อๆยๆเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายงัย้นอย่าไปรังเกียจมันเลยรังเกียจแล้วจะทุกข์ควรจะยินดีต้อนรับมันแล้วจะไม่ทุกข์ใครคิดว่าเป็นแฟนเราแฟนมาหาเราเวลาแฟนมาหาเราดีใจไหมอ่าดีใจ เห็นเวลาโลกภาคภัยไข้เจ็บมาต้องคิดว่ามันเป็นแฟนเราถ้ามันเป็นแฟนเราแล้วมันมาเราดีใจโอ้ปวดหัวมาแล้วเลยแหมรอเธอต้องหลายวันมันปวดท้องมาแล้วเลยคิดถึงเธอแล้วเกินถ้าถ้ารักมันเหมือนกับรักแฟนเวลามันมาเราจะไม่ทุกข์เนียที่เราทุกข์เพราะเราไปเกลียดมันเข้าใจไหม เพาเกลียดมันมันมามันก็เลยทําให้เราทุกข์กันเท่านั้นเองไม่ได้อยู่ที่เขาเราอยู่ที่เราเราไปรักไปชังเราไปเกลียดเขาเราไม่ไปรักเขาถ้าเรารักเขาแล้วรับรองได้จะไม่มีวันทุกข์พวกที่เขาหัดรักเห็นไหมพวกที่ช่วงที่เขากินเจกันเขามีแถวภูเก็ตมีเดินแล้วก็มีเอาของแหลงของคมมาทิ้งมาแทงลิ้นแทงกล้าม ที่แก้ม น, นี่เขากำลังหัดรักของพวกนี้เขาใช่ไหมหัดรักมันถ้ารักมันแล้วมันเจ็บแต่มันไม่ทุกข์เขาใมมันเจ็บกายแต่มันไม่ทุกข์ใจเพราะใจไม่รังเกียจใจรักมันใจชอบเหมือนเราต้องหัดชอบของพวกนี้แต่เราไม่ต้องถึงกับต้องเอาของแหลมของคมมาทิ่มมาแทงอ เพียงแต่ว่าเวลามันเจ็บเวลาเป็นอะไรขึ้นมาก็อย่าไป โ, โวยวายอย่าไปวุ่นวายหัดยินดีหัดรักมันบอกมีเพื่อนมีแฟนมาเยี่ยมแล้วแฟนเก่ามาหาแล้วให้คิดอย่างนี้ให้หัดยอมรับความแก่รับความเจ็บรับความตายให้ได้ถ้ารับได้แล้วใจจะสบายใจจะไม่ทุกข์กับมันอีกต่อไป นี่คือวิปัสนาเพื่อให้เราหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายของร่างกายขั้นที่หนึ่งเราก็ผ่านขั้นของร่างกายไปได้พอร่างกายหมดปัญหาแล้เราก็ไปสู่ขั้นที่สองก็คือขั้นเวทนาขั้นเวทนาก็เหมือนกันเวทนาก็คือความรู้สึก ในตัวเรานี่เรามีความรู้สึกอยู่สามชนิดใช่รู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกไม่สุขไม่สุขไม่ทุกข์ตอนนี้มีความรู้สึกอย่างไรตอนนี้กลางๆเนี่ยจะว่าสุขก็ไม่สุขจะว่าทุกข์ก็ไม่ทุกข์เดี๋ยวปวดท้องฉี่ขึ้นมาก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวหิวข้าวก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วเดี๋วอยากจะไปทาอะไรไม่ได้ทาก็ทุกข์ขึ้นมาแล้ว อยากจะได้อะไรไม่ได้ขึ้นมาก็ทุกข์แอันนี้ก็เป็นความทุกข์ที่เราจะต้องศึกษาว่ามันมามันไปความทุกข์นี้ความสุขความทุกข์นี้มันมีอยู่สองส่วนส่วนที่เกิดจากการกระทาของเราเองและส่วนที่เกิดจากสิ่งที่มาแทกระทำกับเรากระทากับร่างกาย สิ่งส่วนที่มากระทำกับร่างกายนี้เราทำอะไรไม่ได้เจนเวลาร่างกายถูกของของแหลมของคมทิ่มแทงเราเมันมันเป็นความทุกข์ทางร่างกายแต่เราอาจจะเพิ่มความทุกข์ทางร่างกายด้วยความทุกข์ทางใจ ก, กันก็ได้คือใจเราไปเจ็บกับร่างกายไปเสียใจ เพราะถูกคนเขาทำร้ายเราอันนี้ก็ทุกข์ทางใจเพิ่มขึ้นหรืออยากให้ร่างกายไม่เจ็บพอมันเจ็บเราก็ทุกข์ขึ้นมาอันนี้เราแก้ทุกข์ทางใจได้แต่ทุกข์ทางร่างกายนี้เราต้องรับมันไปตามเหตุการณ์เหมือนสุขทางร่างกายเราก็รับมันไปไม่สุขไม่ทุกข์ทางร่างกายเราก็รับมันไป สุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเวลาได้ไปเที่ยวเราก็สุขเวลาไม่ได้ไปเที่ยวเราก็ไม่สุขพอไม่สุขเราก็ทุกข์ขึ้นมาทางใจเพราะอยากจะสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ขอให้เรารู้ว่าเวทนามันก็มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทางร่างกายแล้วแต่ว่าอะไรจะมาสัมผัสมากระทบมัน บางทีมันไปสัมผัสกับของที่ที่ดีมันก็ทําให้เกิดสุขเวทนาขึ้นมาเวลามันไปสัมผัสกับของที่ไม่ดีมันก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเวลาที่ไม่ได้สัมผัสกับของที่ดีหรือของที่ไม่ดีมันก็ไม่สุขไม่ทุกขอย่างตอนนี้เราไม่สุขไม่ทุกข์แต่อยู่ดีๆเกิดมีเสียงวิ่งขึ้นมาแรงๆเข้ามาในหูนี่ มันก็จะทำให้เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาทันทีอันนี้เป็นเรื่องที่ผ่านมาทางเวทนาที่ผ่านมาทางร่างกายที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับได้เสมอให้เรายอมรับมันว่าบางทีก็ต้องทุกข์บางทีก็ต้องสุขบางทีก็เฉยเฉยนี่คือเวทนาที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาที่ ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นผู้รับรู้ก็ให้รับรู้เฉยๆอย่าไปอยากให้มีแต่สุ ข, ขเวทนามาสัมผัสอย่างเดียวเพราะถ้าอยากแล้วมันจะต้องวุ่นวายเวลาเกิดมีอะไรมาสัมผัสที่ทําให้เกิดทุกขเวทนาก็อยากจะกาจัดมันพอกำจัดไม่ได้ก็ทุกข์เช่นเวลาน่่งกายเจ็บไข้ได้ป่วย อยากจะกำจัดให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยถ้ายังกำจัดไม่ได้มันก็ไม่สบายใจแต่ถ้าเรายอมรับว่ามันเป็นเรื่องของกระบวนการของเวทนาที่มีการผัดเปลี่ยนกันมาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ไม่สุขไม่ทุกข์เมื่อมันมีปัญหา มันไม่สบายเราแก้ได้ก็แก้ไปรักษาได้ก็รักษาไปถ้ารักษาได้ทุกเวทนาก็หายไปแต่ถ้ารักษาไม่ได้อาการเจ็บของร่างกายก็ยังมีอยู่ก็ต้องอยู่กับมันไปเช่นร่างกายของเราพออายุมากๆนี่มันจะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้จะทำยังไงจะบีบจะนวดยังไงมันก็หายแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่ก็ต้องอยู่กับมันไป อย่าไปอยากให้มันหายอย่าไปอยากให้มันเหมือนตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวมันเป็นไม่ได้นะมันต้องอยู่กับมันไปถ้าอยู่กับมันยอมรับมันว่าเดี๋ยวนี้ร่างกายมันจะทุกข์มากกว่าสุขตอนนี้เป็นหนุ่มเป็นสาวนี่มันสุขมากกว่าทุกมันทุกน้อยกว่าตอนที่มันเป็นคนชะลาก็ให้รู้ว่าเนี่ยคือกระบวนการของเวทนา ที่มีการสลับไปสลับมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา เ, ออเห็นอะไรที่แสงสว่างแรงๆก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาได้ได้ยินเสียงอะไรดังๆก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาได้นมกลิ่นเหม็นๆก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาไดออ้อันนี้มันเป็นเรื่องของเวทนาที่มันไปมันมาตามเหตุการณ์ต่างๆที่เราเจ้าถ้าเราไม่อยากจะทุกขับ เวทนาก็อยากไปอยากให้มันหายตอนนี้มีทุกขเวทนาก็นับทุกขเวทนาไปถ้ามีสุ ข, ขเวทนาก็อยากไปอยากให้มันอยู่ไปนานๆมันไม่นานบางทีเราเห็นคนที่เราชอบเราก็อยากจะให้เขาอยู่กับเราไปนานๆเดี๋ยวเขาก็ต้องมีทุระไปนู่นมานี่เขาก็อาจจะต้องไปพอเราอยากให้เขาไม่ไปเราก็จะทุกข์เวลาเขาไป อันนี้ก็เวทนาติดสุขเวทนาอยากให้มีแต่สุขเวทนาไม่อยากให้มีทุกขเวทนามันก็จะมาสร้างความทุกขทรมานใจอีกชั้นหนึ่งแต่ถ้าเราปล่อยเวทนาให้เขาเป็นไปตามะบวนการของเขาตอนนี้เขาจะทุกขก็รับรู้ว่าทุกขไปตอนนี้เขาจะสุขก็รับรู้ว่าสุขไปตอนนี้ไม่สุขไม่ทุกขก็รู้ว่าไม่สุขไม่ทุกขไปเหมือนกับร่างกาย ที่เรารู้ว่าตอนนี้มันไม่แก่ก็รู้ว่าไม่แก่พอมันแก่ก็รู้ว่ามันแก่นับมันไปตามความเป็นจริงของมันอย่าไปต่อต้านอย่าไปต่อต้านร่างกายอย่าไปต่อต้านเวทนาถ้าเราไม่ต่อต้านคือไม่มีความอยากไปเปลี่ยนมันเราก็จะไม่ทุกข์ทางใจทุกข์ปิดฎพิมทางร่างกายเวลามันเกิด อาการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลามันไปสัมผัสกับอะไรที่มันเป็นทําให้เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเ<ๆ>ช่นกลิ่นไม่ดีภาพไม่ดีเสียงไม่ดีเป็นต้นเนี่ยมันก็ทําให้เกิดเวทนาทางขึ้นมาได้แล้วก็รับรู้มันไปรู้ว่าไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเอรานั่งนวดผ่านไ ป, ไปเจอกลิ่นเหม็นๆเดี๋ยวปั๊บเดียวมันก็ผ่านไปแล้ะกลิ่นเหม็นก็หายไปแล้วเอะ เราไปเจอกินหอมก็อย่าไปอยากให้มันหอมไปนานๆเดี๋ยวมันก็หมดไปมันก็ไปมันมานี่คือการพิจารณาเวทนาก็ใจไหยศุขเวทนาทุกขเวทนาพิจารณาแล้วปล่อยวางวิธีปฏิบัติจริงๆจะปล่อยวางเวททุกขเวทนาได้ก็ต้องนั่งให้มันนานๆให้ร่างกายมันเจ็บเนี่ยร่างกายเจ็บก็เหมือนกับเรากําลัง เ, เรากําลัง อะไรก็เรียกว่ากำลังสร้างสถานการณ์เทียมขึ้นมาคือสร้างอาการเจ็บปวดของร่างกายขึ้นมาด้วยการนั่งอยู่ในที่เรียาบวเดียวนั่งไปนานๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะปวดตรงนั้นปวดตรงนี้ขึ้นมาแล้วเราก็มาสอนใจว่าอันนี้สมมุติว่าเป็นเหมือนตอนที่เราเป็นโรคมะเร็งหรือเป็นโรคอะไรที่ หมอหรื อ, อยาก็ไม่สามารถที่จะรั ง, งับอาการปวดเหล่านี้ได้เราจะต้องอยู่กับมันให้ได้วิธีที่อยู่กับมันให้ได้อย่างไม่ทรมานใจก็คืออย่าไปอยากให้มันหายอย่าไปมีตัณหาความอยากความอยากให้มันหายนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้เราทรมานกันไม่ใช่ความเจ็บของร่างกายถ้าเราหยุดความอยากได้ด้วยปัญญา รู้ว่าความเจ็บนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับมันได้กําจัดมันได้เราทำได้เพียงอย่างเดียวก็คือหยุดความอยากของเราหยุดความอยากให้ความเจ็บหายไปพอเราควบคุมใจเราทำใจให้เรานิ่งสงบสั์แต่ว่า ร, รู้ได้ปล่อยให้ความเจ็บเป็นไปตามเรื่องของมันใจเราก็จะไม่ทรมาน อันนี้คือวิธีการที่จะผ่านเวทนาต้องผ่านทุกขเวทนาสุขเวทนาไม่ต้องไปสอบมันมันง่ายมันอย่างมากก็ไม่มันก็หายไปเท่านั้นเองหายไปแล้วก็ทำใจหน่อยก็ไม่ทรมานแต่ทุกขเวทนานี้มันยากเราจึงต้องมาฝึกตัวนี้มาสู้กับตัวนี้เวทสุขเวทนาไม่สุขเวทนามันไม่เป็นปัญหามันไม่ได้ทาให้เราทุก ทุกข์ก็ไม่ลุนแรงเช่นสุขเวทนาหาไปล้วก็อาจจะเสียใจวันสองวันเดี๋ยวมันก็หมดไปไม่สุขไม่เวทนาคือรู้สึกไม่มีรสชาติในชีวิตอย่างนี้มันก็มันก็เฉยๆเดี๋ยวมันก็อยู่กับมันได้แต่ทุกขเวทนาความเจ็บปวดเนี่ยมันแสนทรมานใจไอ้ตัวนี้ะที่เราจะต้องมาฝึกมาแก้แก้ตัวทุกขเวทนา โดยการนั่งสมาธินั่งนานๆ น, นั่งสมาธิไปนานๆแล้วไม่ต้องให้มันเข้าไปในสมาธิถ้ามันเข้าเวลาออกมาก็อย่าเพิ่งลุกนั่งต่ออีกรอบหนึ่งนั่งให้มันเจ็บขึ้นมาแล้วเทนี้มาใช้ปัญญาแก้ใช้ปัญญาสอนใจว่าทุกเวทนามันเป็นอย่างนี้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันสุขมันทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ เราต้องให้มันเป็นไปตามขบวนการของมันอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปอยากควบคุมมันอย่าไปอยากให้มันมีแต่สุขเวทนาเพียงอย่างเดียวเพราะมันจะทาให้เราทรมานใจเวลาที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมเวทนาได้ พอเราฝึกให้อยู่กับทุกขเวทนาได้ต่อไปเราก็จะไม่เดือดร้อนเวลาปวดท้องก็ไม่เดือดร้อนปวดหัวก็ไม่เดือดร้อนปวดแข้งปวดขาปวดอะไรก็อยู่กับมันไปได้ใจเราจะไม่ต่อต้านจะไม่มีความอยากให้มันหายแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่รักษารักษาได้ก็รักษาไปรักษายัางไงเดี๋ยวมันก็กลับไปเองโรคเหล่านี้มันไม่หายขาด มันจะหายด้วยวิธีเดียวเท่านั้นก็คือไฟรักษาด้วยไฟเผาให้ร่างกายหายไปเลยถ้าร่างกายหายแล้วทีนี้เวทนาทุกขเวทนาทางร่างกายก็จะหายไปหมดเลยไปดูกระดูกในเท้ามันเจ็บไหมตอนนี้กระดูกที่เขาเผาแล้วเศษกระดูกันถทมาตอนนี้มึงเจ็บหรือเปล่าเมื่อก่อนตอนที่มึงเป็นอยู่ในอยู่ในร่างกายทำไมมึงเจ็บเลอเกิน พอตอนนี้เผาเหลือเป็นเศษกระดูกแล้วมันไม่เจ็บเลยอ่านี่คือเรื่องของเวทนานี่วิปัสสนาข้อสอบข้อที่สองก็คือเวทนา ข้อสอบข้อที่สามก็อารมณ์ในจิตเรียกว่าจิตจิตเรามีอารมณ์เบิกบานมีอารมณ์เศร้าซ้อยง้อยเงามีอารมณ์ว้าเหวมีอารมณ์สดชื่นเบิกบานอารมณ์โกรธอารมณ์เกลียดอารมณ์รักอารมณ์ชังเนี่ยนี่ก็อารมณ์ต่างๆมันก็เหมือนกับดินฟ้าอากาศในใจเรานี่แหละใจเราเหมือนท้องฟ้าที่มีดินฟ้าอากาศเปลี่ยนไป บางวันก็ไม่มีเมฆไม่มีหมอกบางวันก็ไม่มีฝนบางวันก็มเมฆหมอกเต็มไปหมดบางวันก็ฝนเต็มไปหมดเนี่ยใจของเราก็เป็นอย่างนั้นมีอารมณ์แปรป่วนถ้าเราอยากจะให้มันผ่องใสยอย่างเดียวเราจะทุกข์เพราะมันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการได้้ เ, เราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาอารมณ์ต่างๆว่าเป็นไตรลักษณ์เหมือนกัน เป็นอนิจจังทุกขัของอนัตตาเหมือนกันถ้าเราไปอยากให้มันเป็นไปตามความอยากของเรามันจะเกิดทุกข์ขึ้นมาถ้าเราไม่มีความอยากให้มันเป็นไปตามความอยากมันจะไม่ทุกข์อยู่กับมันไปอ่ามันวันนี้มันซึมเศร้าก็รู้ว่ามันซึมเศร้าวันนี้มันเบิกบานก็รู้ว่ามันเบิกบานเให้คิดว่ามันเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศที่เราทําอะไรไม่ได้แต่เราอยู่กับมันได้อ่ามันซึมเศร้าก็อยู่กับมันไปเดี๋ยวมันก็หมด บางวันก็ซึมเศร้าเนี่ยมีเหตุการณ์มาทำกระทบกับจิตใจแล้วทำให้เศร้าก็อยู่กับมันไปเดี๋ยวมันก็หมดบางวันก็แส่แจมสเบิกบานวันไหนถูกหวยนี่ไหมแจมสาสเบิกบานแต่มันไม่เบิกบานไปตลอดล่ะเดี๋ยวไม่วัดกี่วันมันก็มีเรื่องอื่นเข้ามาอีกแล้วมันก็สลับกันไปสลับกันมาขอให้เราเข้าใจนี่คือธรรมชาติของจิตของพวกเรา มันมีการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ในจิตนี่มันเป็นเหมือนกับดินฟ้าอากาศบรรยากาศในท้องฟ้าที่มีการสลับผัดเปลี่ยนกันไปมาเข้าใจแล้วเราก็จะได้ไม่ไปวุ่นวายไม่ต้องไปแก้อะไรให้รู้เฉยๆท่านหนึ่งให้รู้ว่าออวันนี้ซึมไว้วันนี้เศร้าไว้วันนี้เบิกบานให้กรู้แค่นี้รู้ว่ามันสลับกันไปสลับกันมาวันนี้โกรธ วันนี้เสียใจร้องหม่มร้องไห้ก็รู้มันไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องไปกระโดดตึกตายกระโดดตึกตายก็ไม่ได้แก้เพราะมันไปฆ่าร่างกายมันไม่ได้ไปฆ่าใจใจฆ่าไม่ได้ใจมันก็ต้องเป็นอย่างนี้จิตมันก็ต้องเป็นนี้ตราบใดที่มันยังมีการเกิดแก่มีการมาเกิดอยู่มันก็จะต้องมีการมีอารมณ์แปรปวนอย่างนี้ ถ้าไม่อยากจะมีอารมณ์แปรปรวนก็อย่ามาเกิดเท่านั้นเองอย่ามายึดแติดกับร่างกายอย่ามาติดกับเวทนาอย่ามาติดกับอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในจิตแล้วต่อไปจิตมันก็จะไม่มาเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่เกิดจิตมันก็จะว่างไปตลอดว่างจากทุกสิ่งทุกอย่างที่จิตตอนนี้เราไม่ว่างกันว่างจากกายว่างจากเวทนาว่างจากอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในจิตเนี่ย นี่คือเป้าหมายคือมาเจริญสติเพื่อให้ได้สมาธิเมื่อได้สมาธิแล้วก็ให้มาเจริญปัญญาเพื่อมาตัดอุปทานในกายในเวทนาในจิตถ้าตัดได้หมดแล้วจิตก็จะว่างจิตก็จะสงบจิตก็จะสุขไปตลอดเป็นนิบบานังปรมังสุขขังไปก็จะถึงเป้าหมายของการปฏิบัติหนึบพล จากการเวียนว่ายตายเกิดหยุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนี่คือเรื่องของสติปัฏฐานสีที่วันนี้ได้มีผู้ถามถึงก็เลยได้มีโอกาสที่จะได้มาอธิบายอย่างละเอียดเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เป็นกระบวนการของการปฏิบัติทั้งหมดเลย คนอ่านแล้วไม่เข้าใจคิดว่านึกอยากจะเลือกเอาเมนูไหนก็เอาอยากจะเอาเวทนาก็เอาพิจารณาเวทนาอยากจะเอาจิตก็เอาไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นเมนูให้เราเลือกมันเป็นกระบวนการของการปฏิบัติถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนหนังสือคู่มือสำหรับการขับรถเนี่ยวิธีขับรถเขาจะให้เปิดไปที่หน้าหนึ่งก่อนให้รู้จักเครื่อง เครื่องมือต่างๆให้รู้จักพวงมาลัยว่ามีหน้าที่ทำอะไรให้รู้ว่าเกียร์มีหน้าที่ทำอะไรเบรกมีหน้าที่ทำอะไรเป็นคู่มือของการขับรถอันนี้ก็เป็นคู่มือของการที่จะพาจิตใจให้หลุดออกจากการติดอยู่ในกายเวทนาจิตนี้เอง ต้องศึกษาตามขั้นตอนแล้วปฏิบัติตามขั้นตอนไม่ใช่นึกอยากจะเลือกอย่างไหนก็เลือกได้บางคนก็ใช้ใช้เวทนาเป็นตัวเจริญสติบางคนก็ใช้จิตเป็นตัวเจริญสติมันก็เลยไปไม่ถึงไหนมันกวว็วนอยู่ในอ่างนั่นเพราะมันไม่ทาตามขั้นตอนที่พุทธเจ้าสงสอนให้ปฏิบัติกันอ่านแล้วของง่ายๆก็อ่านไปทำให้มันเป็นของยากไป เพราะกิเลสมันมันไม่ชอบของง่ายมันชอบของยากเพราะกิเลสมันไม่ต้องการที่จะถูกทำลายนั่นเองมันก็เลยหลอกให้เราไปทำวิธีที่จะไม่สามารถทำลายกิเลสได้นี่จึงเป็นจึงต้องไปเรียนไปมีครูไม่มีอาจารย์ถ้าไม่ฉลาดจริงๆอ่านตำราเองแล้วไม่เข้าใจหลงถึงแม้มีตำราชัดเจนอยู่นี่ ทำมาถึงต้องไปโรงเรียนหัดขับรถกันทั้งๆ ท, ท, ที่ก็มีหนังสือสอนขับรถอยู่แล้วใช่หไหมแต่ขับเอ็กอ่านตำราเราไม่เข้าใจต้องไปให้คนที่เขาเข้าใจชี้บอกชัดเจนว่าพวกอะไรเป็นอย่างนี้เกียกเป็นอย่างนี้เบรคเป็นอย่างนี้ทำอย่างไรกับมันใช้มันอย่างไรดูหนังสือดูตำราแล้วไม่เข้าใจแต่คนฉลาดนี้ไม่ต้องไปมีไปเรียนก็ได้เรียนเองก็ได้ถ้าอ่านแล้วเข้าใจ ก็สามารถที่สอนตัวเองได้นะนี่คือเรื่องของสติปฐานสี่ที่เป็นวิธีการกระบวนการของการจเจริญสติสมาธิและปัญญาเพื่อวิมุติการหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวะหาปุราปะริปุเรนติสาคลังเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกะปติอ an ิจทิตังปฏทิต um ังตุมหังคิดว่าเมวะสมิจโตุสัพเพปุเรนตุส so ังกปาจันโทปนาหราโสยะถา มณิโชติอรโสยะาสพิติโยวิวาทานตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวตวันตารายุสุขีทีขาโยโกภวะอภิวาธานสีฤทธานิจางุฏาปจายโนจตารโหธรรมวัฏานติ อายุวันโนสุขังภาลางวันนี้เข้ามาเท่าไรวันนี้ทาง Facebook เข้ามา456 YouTube 162วิทยุออนไลน์28รับฟังข้างบนเขา45คนรวมทั้งหมด691ครับ วันนี้เกือบเจ็ดร้อยวันนี้อยู่ b o o k เยอะสี่ร้อยกว่า You Tube น, น้อยหน่อยธรรมดา YouTube เกือบสองร้อยวันนี้แค่ร้อยห้าสิบกว่าร้อยสี่สิบกว่าก็ขึ้นขึ้ น, นลงลงเนี่ยอันนี้ก็อันนี้จังเ อ, อเนี่ยก็พอมันอันนี้จังมันก็เกิดทุกขังถ้าอยากให้มันสูงมันไม่สูงก็ทุกแต่ถ้าไม่ไปอยากมันมันจะสูงหรือจะไม่ ไม่สูงก็ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปพอเราสัมผัสรับรูบ้ ก, ก็เกิดเวทนาขึ้นมาถ้ายอดสูงก็สุขเ็าเวทนาก็าเกิดถ้าเปิดดูวันนี้มีคนมาซื้อของเยอะนี่โวมันก็สุขเเวทนาเกิดขึ้นถ้าคนวันนี้ไม่มีใครมาซื้อของเลยนี่ทุกเวทนามันก็เกิดขึ้น ในเวทนามันเกิดมาได้หลายทางทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเราก็มาทำให้เกิดทุกข์ทางใจอีกชั้นหนึ่งทุกข์อันนี้เกิดจากอุปทานจากความอยากไม่เกี่ยวกับทุกข์ทางกายทุกข์ทางกายเพียงแต่สัมผัสรับรูบ้ก็สุขทุกข์ขึ้นมาได้สัมผัสกับข่าวดีก็สุขสัมผัสกับข่าวไม่ดีก็ทุกข์ แล้วก็มาทำให้เกิดทุกขเวททุกทางใจอีกชั้นหนึ่งเพราะขาไม่ดีก็เสียใจล้อ ง, ห, องห่มล้องไห้อันนี้ก็เป็นทุกขี่ทางใจมีคำถามเข้ามาไหมถ้ามีอะไรอยากจะถามก็ถามได้นะเนยตอตนีต้หยุดในตอนถามตอบปัญหา ใครอยากจะถามไม่ว่าจะอยู่ที่นี่หรืออยู่ทางบ้านก็สามารถส่งข้อความเข้ามาได้อยู่ที่นี่ก็ถามได้โดยตรงจะส่งไมโครโฟนไปให้คำถามทางบ้านมาเป็นตัวอย่างดูกันสาธิตดูกันครับคำถามจากทาง Facebook คุณสิริมีสมข้อนะครับคำถามที่หนึ่งการจะเป็นพระอริยเจ้า จำเป็นจะต้องได้รูปประชานหรือเปล่าคะมันต้องมีครบนะศีล ส, สมาธิปัญญาสมาธิก็ต้องอปันาสมาธิคือขั้นฌานาสี่นู่นรูปศีลก็ต้องบริสุทธิ์ตลอดเวลาปัญญาก็ต้องเห็นไตรลักษณ์เห็นอริยสัจสีเข้าใจไตรลักษณ์เข้าใจอริยสัจสี ก็ถึงจะสามารถบรรลุปเป็นพระอริยบุคคลได้ ข, ข, ข้อที่สองข้อที่สองแล้วทําไมจึงเป็นรูปปาราคะในสังโยชน์ที่จะต้องละคะเพราะว่าเวลาเป็นพระอริยบุคคลจิตมันจะละมันจะละเอียดมันจะสงบเข้าสู่ระดับของรู ป, ปราคะรูปรูปฌานการรูปฌานโดยอัตโนมัติอันนี้เกิดจาก การที่เราได้บรรลุแล้วแล้วมันเป็นเป็นเป็นเป็ น, ป น, ปนประดับจิตของจิตของพุทธะอริยที่มันจะสงบในระดับของรูปฌปานการูปฌานเพราะได้กําจัดกิเลสตัณหาตัวที่มาทำให้จิตวุ่นวายไปแต่ก็ไปติดกับมันก็ถ้าไปติดมันก็จะไม่ไปถึงนิพพาน เพราะว่ามันยังไม่ใช่เป็นความสงบที่ถาวรยังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตายอยครับข้อที่สามหากไม่ได้ฌานจะเข้าสู่การเป็นพระอริยะได้ไหมไม่ได้เราก็บอกง่ายว่าต้องศีลสมาธิปัญญาศีลเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดสมาธิสมาธิเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดปัญญาให ให้ปัญญามีพลังที่จะทำหน้าที่ของปัญญาคือตัดกิเลสตัณหาได้ปัญญาท่า น, นั้นที่จะทำให้เกิดวิมุตติหลุดพ้นได้มันต้องมีทั้งสามสนับสนุนกันเป็นขั้นบันไดเหมือนเรียนหนังสือต้องเริ่มที่ชั้นประถมก่อนแล้วไปสู่ระดับมัธยมอย่างาระดับระดับมัธยมถึงจะเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาได้ คำถามจากคุณจบกราบนมัสการพ่อแม่ครูอาจารย์ครับพอดีผมเผลอเอาไฟฉายของที่วัดทิ้งไปพร้อมกับพวกขยะโดยไม่ได้เจตนาแล้วไฟฉายกับขยะก็ถูกเผาทำลายไปแล้วผมก็ได้กราบเรียนให้ครูบาท่านทราบแล้วเรื่องไฟฉายอย่างนี้ถือว่าเป็นบาปทำลายของสงฆ์ไหมครับ มันไม่มีเจตนามันก็ไม่บาปแต่มันก็มีความเสียหายที่เราควรจะชดใช้เรียกว่าใช้หนี้สงทำลายของสงแล้วก็ควรที่จะไปเอาของนั้นมามาทดแทนเสียจะดีกว่าเช่นไฟฉายมันทิ้งไปเราก็ไปซื้ออันใหม่มาชดใช้เพราะมันเป็นของมีประโยชน์สำหรับคนอื่นจะได้ใช้ต่อได้ถ้าเราไม่ใช้เวลาเราไม่อยู่วัดคนอื่นมาอยู่วัด เขาก็จะได้ใช้ได้แต่ถามว่ามีเจตนาถ้าไม่มีเจตนาก็ไม่บาปแต่ถ้ามีความตั้งใจโมโห ห, หลงพี่โดนว่ากล่าวติเตียนก็เลยเอาไปฉายไปทิ้ ง, อ ย, ง อ, อย่างนี้มันก็บาปคำถามจากคุณโมโม่ทำบุญก็ต้องไปเสวยผลบุญทำบาปก็ต้องไปเสวยผลบาป อย่างนี้ก็ต้องเวียนไหา้ตายเกิดเสวยผลบุญบาปเรื่อยไปทำอย่างไรจึงจะหลุดออกวงโคจรบุญบาปทำจิตว่างจะหลุดหรือเปล่าค ะ, ะก็ต้องหยุดความอยากอยากเที่ยวอยากดูอยากฟังอยากลิ้มล้นตมกลิ่นอยากมีแฟนอ ย, อยากเล่าอยากรวยวามอย่างเหล่านี้ต้องตัดไปให้หมดต้องไปบวชถ้าไม่อยากจะกลับมาเวียนไหว้ตายเกิดก็ต้องอยู่แบบนัก บ, บวช แม่หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายคำถามจากคุณละดาวันกราบเรียนถามพระอาจารย์หนูซื้อหอยลายมาแต่พอจะมาประกอบอาหารพบว่ามันยังไม่ตายเลยไม่กล้าทำกินรอให้มันตายก่อนจึงนำมาทำแบบนี้ลูกจะบาปหรือไม่เจ้าคะมันก็ไม่บาปแต่มันสีถนนชัย คนที่จะไปปล่อยเขาจะดีกว่านี่ก็ยังอยากจะกินเขาอยู่เพียงแต่ว่า <c oughs> ต้องรอให้เขาตายก่อนเอถึงจะกล้าถึงจะกินได้เออันนี้ไม่มีความเมตตาพูดง่ายๆไม่บาปแต่ไม่มีความเมตตาจะเอาจะกินเขาอย่างเดียวยังเป็นยักษ์อยู่ยังไม่เป็นไม่เป็นเทวดาอไม่เป็นพระเป็นยักษ์ถ้าเป็นพระก็ต้องมีความเมตตาสงสาร ก็เอาไปปล่อยเขาดีกว่ า, ากินอย่างอื่นดีกว่ากินผักกินข้าวก็อิ่มเหมือนกันถ่ายออกมาก็เป็นขี้เหมือนกันแต่ไม่บาปไม่ต้องไป เ, เป็นจิตใจไม่โหดร้ายจิตใจไม่ใสไม่เป็นใจไม้ไส้ระกรรม เ, เป็นจิตที่มีเมตตามีความสุขคําถามจากคุณปาริดากราบนมัสการหลวงพ่อ เพื่อนฝากถามว่าหากชีวิตนี้ทั้งชีวิตไม่ได้นับถือศาสนาเลยแต่ปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองและจริยธรรมของประเทศทำตามหน้าที่ของตนคือเรียนทำงานหาเงินดูแลครอบครัวปกติเมื่อถึงวาระสุดท้าย จิตของเขาจะไปที่ไหนกราบขอความกรุณาหลวงพ่อเพื่อตอบแก้ความสงสัยด้วยครับถ้าเขาไม่ทำบาปก็ไม่ต้องไปอบายแต่ถ้าเขาไม่ได้ทำบุญเขาก็ไม่ได้ไปสวรรค์เขาก็จะรอคิวกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ครับคำถามจากคุณวันมีสองคำถามนะครับคำถามที่หนึ่งการเปลี่ยนชื่อนามสกุลการสะดเดาะเคราะห์เป็นศีละ พัดปัดตรามาาหรือเปล่าครับคือการที่เราไปคิดว่าเราจะแก้ปัญหาของเราได้ด้วยการเปลี่ยนอะไรพวกนี้มันไม่ใช่เป็นวิธีการที่จะแก้ปัญหาคือความไม่สบายใจของเราความไม่สบายใจของเราเกิดจากตัณหาความอยากของเราถ้าเราอยากจะแก้ความไม่สบายใจเราต้องมาแก้ด้วยการ กำจัดความอยากที่ทำให้เราไม่สบายใจเช่นอยากร่ำอยากรวยแล้วก็ไม่รวยสักทีหมอเลยบอกว่าให้ไปเปลี่ยนชื่อซะเปลี่ยนนามสกุลนึเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนอะไรแล้วจะร่ารวยขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหานี่จะเรียกว่าเป็นสีลับหรือไม่ลับก็ไม่รู้เหมือนกันแต่รู้ว่าไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ถูกทางพระโสดาบันจะไม่แก้ปัญหาอย่างนี้ พระโสดาบันจะเห็นว่าความไม่สบายใจเกิดจากตัณหาความอยากของตนเองถ้าอยากจะกาจัดความไม่สบายใจเช่นความความอยากรวยรวยแล้วไม่รวยก็เปลี่ยนใจยอมรับความจริงว่าจะรวยไม่รวยมันก็ไม่ได้อยู่ที่ความอยากหรือไม่อยากอยู่ที่ว่ามีความสามารถที่จะหาเงินหาทองแล้วรักษามันให้อยู่กับเราได้หรือเปล่า ถ้าไม่ได้ก็ยอมรับความจริงไปก็จะไม่ทุกข์ไม่รวยก็ไม่ทุกข์คำถามข้อที่สองตอนนอนรู้สึกมีสติตลอดเลยมีความรู้สึกว่ากลางคืนไม่ได้นอนเลยอย่างนี้เรียกเจริญสติที่ถูกต้องหรือเปล่าครับไมหอ่อจะเจริญสติถูกต้องก็ต้องเจริญเวลาไม่นอน เวลานอนเป็นเวลาที่เราไม่เจริญสติเวลาที่เราต้องการพักผอ่อนร่างกายและจิตใจตอนนั้นเราไม่เจริญสติเราจะเจริญสติตอนที่เราเตื่นขึ้นมาถึงตอนที่เราหลับช่วงที่เราหลับนี้เราต้องการพักพักการเจริญสติพักการเจริญพักการทำงานของร่างกายคำถามจากคุณไกลรักกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้ า, า่ะ โยมกราบเปลี่ยนถามเรื่องการกราบแม่ในวันแม่หรือทุกครั้งที่มีโอกาสสมควรกราบหนึ่งครั้งหรือสามครั้งดีเจ้าคะะได้กราบร้อยครั้งก็ได้ไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีคำหนวดห้ามอยากจะกราบกี่ครั้งก็กราบได้มันเป็นเรื่องของความพอใจของเราแต่ทางสมมุติทางโลกเขาก็ให้ถือว่ากราบพระให้กราบสามครั้งกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ถ้ากราบพ่อกราบแม่ก็กราบครั้งเดียวอแต่ถ้าเราอยากจะกราบสิบครั้งก็กราบได้ไม่มีปัญหาเลยแต่มันไม่อยู่ที่การกราบการกราบอาจจะไม่ได้กราบทางใจก็ได้อาจจะโกรธเกลียดพ่อก็ได้แต่กราบไปอย่างนั้นเองเพื่อเล่นลิเกหลอกลิงหลอกเจ้าไงถ้ากราบแบบนี้ก็อย่าไปกราบ การกราบนี้เป็นการแสดงความรักความเคารพต่อบุคคลที่เรากราบอย่า ง, างแท้จริงถ้ายังไม่มีความรักความเคารพในใจกราบไปก็เป็นกิริยาเท่านั้นเองไม่ได้มีผลอะไรต่อจิตใจการกราบนี้เพื่อให้เรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นบุญอย่างหนึ่งทำให้เรามีความสุขใจดีกว่าเป็นคนก้าร้าวคนก้าวร้านี้ไม่มีความสุขใจเห็นใครแล้วก็ไม่อยากจะก้มหัวให้ พอจาเป็นจะต้องก้มหัวก็รู้สึกปึดอัดใจขึ้นมาแต่คนที่มีความอ่อนน้อมนี่พอเขาได้กราบใครเขาได้แสด ง, สดงความความเคารพให้กับใครแล้วเขามีความสุขใจเพราะเขายอมรับความเป็นจริงของสังคมว่าเราอยู่ในสังคมมีแบ่งกันมีแบ่งผู้สูงผู้ต่ำผู้ต่ำก็ต้องแสดงความเคารพให้แก่ผู้สูง การแสดงความเคารพการที่ทำตัวให้เราเป็นผู้ต่ำนี่มันสบายเราจะได้กราบทุกคนได้แม้แต่หมาก็กราบได้กราบหมาก็มีความสุขได้คำถามจากคุณวัดท่านอาจารย์ครับการกำหนดจิตให้เป็นสมาธินี้ทำได้แต่ผู้ที่คล่องในอุปจาระขึ้นไปใช่หรือไม่ครับ คำว่าคือทําได้ก็ถ้าทําได้มันก็ทําได้ทําไม่ได้มันก็ทําไม่ได้เหมือนคนขับรถเนี่ยถ้าขับได้ก็ขับได้ขับไม่ได้ก็ต้องหัดขับไปก่อนคนที่ยังเข้าสมาธิไม่ได้ก็ต้องฝึกสติไปก่อนนั่งสมาหัดนั่งไปก่อนเดี๋ยวมันถึงเวลามันก็ได้ได้แล้วมันก็ถ้าทําบ่อยๆมันก็ชานานมันก็จะเข้าได้ทุกเวลาที่ต้องการไม่ว่าจะอยู่ระดับสมาธิไหนก็ตาม คำถามจากคุณลักษ์กราบเรียนพระอาจารย์ลูกขอกราบเรียนลูกจะตั้งจิตอธิษฐานขอรับวิบากคุณแม่จะได้ไหมคะเพราะวิบากตอนนี้คุณแม่หนักเหลือเกินลูกคิดว่าวิบากกรรมนี้มาจากตำหนักลงทรงที่คุณแม่เคยไปรับขันและเกี่ยวข้องเพราะช่วงค้าขาย อยากขายดีเพราะมีลูกแปดคนตอนนี้คุณแม่หนะักมากค่ะ อ, อ๋อไม่รู้เนาะความจริงวิบากนี่ของใครของมันกรรมใครกรรมมันแต่บางอย่างก็อาจจะทำรับได้เช่นน้าแม่เป็นหนี้ก็ไปปลดหนี้ให้แม่อันี้ก็ยังทำได้แต่ของบางอย่างมันปลดไม่ได้มันก็ปลดไม่ได้ด้านไหนปลดได้ก็ปลดไปรับวิบากแทนแม่ได้เช่นหนี้สินนี่ถ้าแม่เป็นหนี้สิ น, น เราก็ไปจ่ายหนี้สินของแม่ได้ก็อันนี้ก็ปลดได้แต่ถ้าเป็นเรื่องของทางอารมณ์ทางจิตใจที่แม่เครียดแม่ทุกข์แม่เจอมลสมลมเล้าต่างๆนี่มันไม่ได้มามันไม่ได้มาหาเรามันไปหาแม่เราก็ทําอะไรไม่ได้พราะพุทธเจ้าบอกสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะทํากรรมมันใดไว้ดีหรือชั่ว จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นคำถามจากคุณสัลิสากราบนมัสการค่ะเจริญสติและนั่งสมาธิอาณาปานาสติดูไปก็เห็นการไม่เที่ยงเกิดดับของรูปเวทนาสังขารแต่ก็มีรู้ไปเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งที่ดูอันนี้คือจิต เห็นจิตใช่ไหมคะไม่ใช่แล้วกำลังหลงทางปฏิบัติไม่รู้เรื่องการนั่งสมาธิเพื่อไม่ต้องการเห็นอะไรต้องการทำใจจิตให้รวมเป็นถึงให้เป็นสมาธิถ่าไปนั่งเห็นอย่างนั้นมันก็ไม่มันก้มัวไปหมดค่าำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามกราบนมัสการครับพระอาจารย์พระโสดาบันนี้ ยังมีรักโลภโกรธหลงใช่ไหมครับก็เหมือนคนธรรมดาทั่วไปแต่จิตใจไม่เหมือนใช่ไหมครับโกรธแต่ไม่พยาบาทอาฆาตถ้าคนไม่เคยปฏิบัติจะไม่รู้ภูมิจิตของอริยะบุคคลเบื้องต้นใช่ไหมครับพุทุชนนี่จะไปวัดจิตของพระอริยไม่ได้เหร น, น ท่านมีโลภกรธหลงแต่มันมันเบาบางลงไปมันน้อยกับปุถุชนแล้วบางอย่างนี้ท่านไม่ท่านปล่อยวางได้ปุถุชนปล่อยไม่ได้เห็นพระสวดาบันปล่อยร่างกายได้ปล่อยเวทนาได้อยู่กับความทุกข์ของร่างกายได้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เดือดร้อนร่างกายแก่ก็ไม่เดือดร้อนร่างกายตายก็ไม่เดือดร้อนครับจัก คำถามต่อเนื่องนะครับพระโสดาบันนี้ไม่จาเป็นต้องมีฌานใช่ไหมครับต้องมีถึงไม่มีจะไปเข้าไปทันปัญญาได้ยังไงมันต้องผ่านสมาธิก่อนท้้นถึงจะเข้าสู่ระดับปัญญาถึงจะเข้าสู่ระดับอริยบุคคลได้จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับ ถ้าครอบครัวยังไม่เห็นด้วยกับการที่ลูกจะออกไปปฏิบัติภาวนาอย่างจริงจังเขาให้เหตุผลว่าอายุเรายังไม่ถึงเวลาที่จะต้องไปอยู่วัดยังทำอะไรได้อีกเยอะแต่ลูกเห็นว่าชีวิตเรามันไม่แน่ไม่นอนเราอาจไม่ได้แก่ตายความตายมันอยู่กับเราตลอดเวลาลูกควรวางใจอย่างไรดีเจ้าคะ เพราะตอนนี้จิตใจมีความหดหู่อยู่มากก็เวลาเราไปเที่ยวถ้าเขาบอกว่ายังไม่ถึงเวลาไปเที่ยวเราจะไม่เที่ยวหรือเปล่าทำไมเวลาไปเที่ยวเมนต้องฟังเขาพอจะไปบวชไปปฏิบัติทำไมต้องไปฟังคนอื่นด้วยมันเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของคนอื่นคนอื่นเขาไม่ได้ไปปฏิบัติกับเราเหน่อยเขาไม่ได้ไปบวชกับเราเท่าหน่อยมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปฟังเขา เวลาเราไปเที่ยวนี่เขาบอกอย่าไปเที่ยวเราฟังเขาหรือเปล่าเราก็ไปเที่ยวเวลาเราอยากจะมีสามีมีภรรยาเขาบอกยังไม่ถึงเวลามีแล้วเราฟังเขาหรือเปล่าเราก็ไม่ฟังเพราะเรื่องของกิเลสนี่แม่มันไม่ต้องฟังใครเลยพอเป็นเรื่องของธรรมะนี่ต้องฟังหลายฝ่ายเหลือเกินคำถามจากคุณวันใจที่รับรู้อารมณ์โลภ หรืออารมณ์โกรธอาการความโลภหรืออาการโกรธมาจากไหนครับมาจากความหลงไงความหลงที่เห็นว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีถ้าคนไม่หลงจะรู้ว่ามันไม่ดีทั้งนั้นมันก็จะไม่โลภพอไม่โลภมันก็จะไม่โกรธเวลาไม่ได้แล้วมันก็จะไม่โกรธแต่คนที่อยากได้อะไรแล้วพอไม่ได้มันก็จะโกรธ เั็นทุกอย่างมันมเกิดจากความหลงที่ไม่เห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นทุกข์เนี่ยกลับไปเห็นว่าเป็นสุขเข้าใจไหมเห็นลาบยศสารเสย ร, รูปเสียงกลิ่นรสว่าเป็นสุขก็เลยโลภอยากได้กันพอไม่ได้ก็โกรธกันตีกันคําถามจากคุณวัดขอท่านอาจารย์เมตตาสอนการกําหนดจิต ด, ด้วยครับ เพื่อจะได้เอาไว้ใช้ปราบกิเลสแบบฉุกเฉินนี่แหละก็ให้มีสติอยู่กับร่างกายอยู่ตลอดเวลาหรือไม่เช่นนั้นก็พุโทโธพุโทโธตลอดเวลาแล้วจะควบคุมจิตใจได้เวลาเกิดอะไรก็หยุดมันได้ตอนนี้หม ด, หมดแล้วนะเมื่อกิดเทสมาทั้งชั่วโมงก็เรื่องของการควบคุมจิตทั้งนั้นนะ แต่ฟังแล้วก็ยังคงยังไม่เข้าใจก็ควบจิตต้องควบคุมด้วยสติด้วยปัญญาสองตัวนี้ควบคุมสติก็ลขั้นแรกขั้นฉุกเฉินก็ใช้สติพอควบคุมได้แล้วก็มาใช้ปัญญาสอนจิตว่าในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นจะทำอย่างไรทำให้จิตไม่เกิดอาการอะไรต่างๆขึ้นมา ก็ต้องเห็นว่าทุกอย่างที่จิตไปสัมผัสรับรู้มันไม่เที่ยงเราควบคุมบังคับไม่ได้อย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปเกี่ยวข้องกับมันให้รู้เฉยๆรู้ใจเราจะไม่วุ่นวายแต่ถ้าไปหลงว่าดีอยากได้ขึ้นมาพอไม่ได้ก็เสียใจในเวลาใครพูดอะไรไม่ดีก็โกรธขึ้นมา คำถามจากคุณไพโรจน้อมกราบถามพระอาจารย์ครับกระผมได้นำลูกมะพร้าวที่วัดที่กระรอกได้เจาะกินเนื้อเรียบร้อยแล้วกระผมเลยนำกลับบ้านเพื่อจะไปทำรังนกกระจอกอย่างนี้กระผมจะเป็นบาปไหมขอรับแล้วก็เป็นพวกเดียวกะลอกเน กระลอกมันก็กินมะพร้าวโดยไม่ได้ขออนุญาตเราก็ลูกมะพร้าวไปโดยไม่ขออนุญาตก็เหมือนขโมยของของในบ้านของในวัดก็มีเจ้าของอยากจะเอาของเข้าไปก็ต้องไปขออนุญาตจากเจ้าอาวาสก่อนเจ้าของบ้านก่อนหมดแล้วใช่ไหม เ, เราก็เหมือนกับกระลอกกะลอกมันอยากจะกินมะพร้าวมันก็ไม่ขอใครมันก็ไปเจาะกิน พอลูกมันหล่นลงมาเราก็อยากจะได้ลูกมันไปทํากงทําอะไรลังนกเหรอก็เอาไปโดยที่ไม่ขออนุญาตก่อนอันนี้ก็เหมือนกับกระรอกคือเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปโดยที่ไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของก็เป็นการทําผิดข้อที่สองบาปข้อที่สองคืออาถินนาการลักทรัพย์การเอาของ ที่เจ้าของเขาไม่ได้อนุญาตไปถ้าไม่เป็นการทําบาป ก, ก็ต้องขออนุญาตเจ้าของเขาก่อนคำถามจากคุณนิคมกราบเรียนพระอาจารย์การวางสุขวางทุกข์คืนให้แก่ตันหานั้นคือวางจิตไว้อย่างไรครับไม่ได้วางให้รู้เวลาสัมผัสอะไรสุขก็รู้ว่าสุขทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์ แต่อย่าไปอยากไปเปลี่ยนมันโดยอยากไปอยากให้มันเป็นไปนานๆเช่นเจอสุขก็อย่าไปอยากให้มันสุขไปนานๆเจอทุกข์ก็อย่าไปอยากให้มันหายไปทันทีทันใดเพราะมันจะทําให้เราวุ่นวายใจถ้าเราอยากจะสบายใจเราก็รู้เฉยๆรือว่าสุขตอนนี้สุขก็รู้ว่าสุขตอนนี้ทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์อย่าไปยุ่งกับมัน มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันเดี๋ยวมันไปเองเดี๋ยวมันมาเองเดี๋ยวมันไปเองเราไปควบคุมบังคับไปสั่งมันไม่ได้นี่คือการวางใจให้อยู่กับสุขกับทุกข์คือให้สักแตะวะ่ว่ารู้เฉยๆอย่าไปรักอย่าไปชังกับความสุขหรือความทุกข์คำถามจากคุณตุ้ม กราบนมัสการพระอาจารย์ขอเรียนถามถ้าเราฝันถึงเรื่องเศร้าแต่ตื่นขึ้นมาน้ําตานองหน้าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเป็นครั้งแรกที่เป็นก็ความฝันมันเหมือนความจริง เ, เวลาที่เรานอนหลับฝันนี่เราคิดว่ า, ามันมันเป็นเหตุการณ์จริงๆมันก็เลยเราก็เลยร้องไห้ตามเหตุการณ์นั้นไป คำถามจากคุณสิริวิธีสร้างอุเบกขาต้องได้จากสมาธิอย่างเดียวหรือมีทางอื่นไหมครับก็ทางเดียวที่มันเป็นอุเบกขาที่ถาวรที่แน่นอนก็คือจากสมาธิวิธีอื่นก็ใช้ปัญญาก็เป็นไปพักๆเช่นเห็นเหตุการณ์อะไรเราทำอะไรไม่ได้แล้วก็ปองไปว่าเออมันเป็นเรื่องของกรรมของสัตว์ไป ใครทำอะไรไว้ดีหรือชั่วก็ต้องรับผลของมันไปแต่ถ้าจะอุเบกขาแบบใหญ่ๆลึกๆนี่มันต้องอุเบกขาจากสมาธิแต่ถ้าอุเบกขาแบบทั่วไปผิวเผินเหตุการณ์ผิวเผินนี่ก็อาจจะใช้ปัญญาที่เราได้ยินได้ฟังมาพอที่จะแก้ขัดไปได้แต่ถ้าจะเจอแบบลึกๆนี่มันมันยากถ้าไม่มีสมาธิ ทำไม่ได้เช่นถ้าเกี่ยวข้องกับร่างกายของเราเนี่ยกาสอนมันยังไงถ้าไม่มีสมาธิมันก็ไม่ยอมมันก็ไม่ยอมเวลาเจ็บมันก็จะทรมานเพราะมันอยากจะหายถ้าไม่มีอุเบกขาทางสมาธิมีปัญญาก็ทำอะไรไม่ได้ก็รู้ว่ามันต้องเป็นอย่างนี้รู้แต่ทาใจไม่ได้เพราะไม่มีสมาธิถ้ามีสมาธิก็จะทาใจได้ คำถามจากคุณวันกราบเรียนถามเราควรสอนใจให้เห็นไตรักก่อนหรือให้จิตรู้จากการปฏิบัติครับคือต้องมีสมาธิก่อนแล้วค่อยไปสอนใจถ้าไปสอนก่อนโดยไม่มีสมาธิก็ไม่มีประโยชน์อะไรสอนแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ใช่มันเหมือนกับไปหามีดมาแต่ไม่เลี่ยงคน คนทำงานไม่ให้กินข้าวไม่ให้หลับนอนแล้วไปเอามีดมาให้คนไปทำงานไปตัดตัดไม้ตัดฝฟืนมันไม่มีแรงตัดนั้นมีมีดก็มีก็ไม่มีประโยชน์อะไรนั้นต้องให้คนที่เราจะใช้ทำงานนี้ให้กินข้าวหลับนอนให้มีกำลังวังชาก่อนเมื่อมีกำลังวังชาแล้วค่อยให้มีดเขาไป พระเจ้าถึงสอนสมาธิก่อนปัญญาแม่มันไม่รู้จะพูดอย่างไงแล้วศีลสมาธิปัญญาเนี่ยสามขั้นนี่มันเป็นขั้นเป็นตอนอยู่แล้วก็จะไปขั้นที่สามอยู่เรื่อยขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองไม่ชอบศีลก็ไม่อยากจะรักษายังอยากกินเหล้าอยู่เนยยังอยากจะขโมยของอย่างนี้วก็จะไปเอาปัญญาปัญญามันทําอะไรมันทําไม่ได้หรอกคำถามจากคุณสิธิพงศ์ ขอโอกาสพ่อแม่ครัวอาจารย์สัตว์เลี้ยงของเราที่ยังอยู่หรือเสียชีวิตไปแล้วเราแผ่เมตตาหรือทําบุญไปให้เขาจะได้รับบุญหรือไม่ครับถ้าตายไปแล้วถ้าเขาไปเป็นเปรตเขาการับถ้าเขาไม่เป็นเปรตเขาก็ไม่ได้รับผู้ที่จะรับบุญที่เราทิ้ไปได้ต้องเป็นพวกเปรตเท่านั้นพวกเทวดาเขาก็มีบุญเหนือเฟือ่อ พวกมนุษย์ก็หากินเองได้พวกเดราจฉานก็หากินเองได้พวกติดคุกพวกพวกไปนรกก็ไม่มีเปรียบเหมือนคนติดคุกพวกอสุ ร, รกายก็เป็นเหมือนพวกคนหวาดกลัววุ่นวายกับเรื่องของความหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาก็เลยไม่ได้ไม่มาไม่ม า, ไ ม, มาไม่ได้หิวโหวยกับบุญฉะนั้นพวกที่จะรับบุญได้ก็พวกเปรตที่หิวโหวย ฉะนั้นอยู่ที่ดวงวิญญาณของผู้ที่ตายไปไม่ว่าจะเป็นหมาหรือเป็นคนตายไปแล้วจะไปเป็นอะไรถ้าไม่ได้เป็นเปรตก็เขาก็จะไม่รับบุญต้องเป็นเปรตอย่างเดียวคำถามจากคุณพิชยพงศ์โลภะโทสะโมหะกับราคะโทสะโมหะ แบ่งหมวดหมู่กันอย่างไรครับราคะรวมอยู่ในโมหะหรือเปล่าครับราคากับโลภะก็ตัวเดียวกันเพียงแต่ราคะนี้เจาะจงไปที่ทางกามอารมณ์ ม, มากกว่าโลภะนี่แบบควบควบคุมทั่วไปหมดโลกทุกอย่างแต่ราคะนี้เจาะจงไปเรื่องที่เรื่องของการเสพกามการมาราคะราคะโทสะบางทีศั์ท่านก็ใช้ แทนกันไปขอให้รู้ว่ามันเป็นความอยากได้เหมือนกันคำถามจากคุณอามพอรู้สึกตัวตอนเช้าสติมันตื่นแต่หลับตาอยู่มันรู้ชัดเด่นอยู่อย่างนั้นเลยดูเฉยๆดูมันเด่นอยู่อย่างนั้นผมต้องทาอย่างไรต่อไปครับดูอะไรอะไรเด่น สติมันตื่นครับได้ยังไงหลับตาอยู่มันรู้ชัดเด่นอยู่อย่างนั้นรู้อะไรเด่นไม่รู้ก็รู้ก็รู้ไปก็ให้มีสติรู้อยู่กับร่างกายอพอร่างกายลืมตาขึ้นมาลุกขึ้นมาทำอะไรก็ให้รู้อยู่กับร่างกายไปแร้วจะรู้อยู่กับจิตก็ได้รู้ว่าตอนนี้จิตไม่คิดอะไรหรือคิดอะไรถ้าคิดก็หยุดมันถ้ามันไม่คิดก็อยู่กับ ความไม่ความไม่คิดไปต้องการให้จิตมันเด่นด้วยการไม่คิดนะถ้ามันคิดก็หยุดคิดเสียเพราะคิดแล้วมันจะวุ่นวายจะเกิดความอยากตามมาต่อไปถ้าไม่คิดมันก็จะว่างจะเย็นจะสบายคำถามจากคุณไพโรธเกี่ยวกับเรื่องลูกมะพร้าวเมื่อกี้นะครับครับน้อมกราบขอรับ แล้วอีกวันกระผมได้นำมะพร้าวไปถวายคืนอีกสามลูกแล้วแล้วก็ได้สารภาพผิดกับหลวงพ่อที่วัด อ, อ, อย่างนี้ถือว่ายังบาปอยู่ไหมครับก็บาปมันทำไปแล้วนะมันล้างบาปไม่ได้แล้วออถึงแม้จะเอามะพร้ามาให้สิบลูกมันก็ไม่ได้ไปล้างบาปอันนั้นเพออียงแต่การสารภาพมันเป็นการยอมรับผิดแล้วจะได้ไม่ทาต่อไป ถ้าไม่ยอมสารภาพไม่ยอมรับผิดอาจจะคิดข่างหน้าถ้าไม่มีใครรู้ก็อาจจะทาต่อย ก, ก็ได้ดัะนั้นการสารภาพบาปไม่ได้เป็นการไปล้างบาปนะอย่างพระก็ต้องสารภาพบาปพระทำผิดข้อวินยัยข้อไหนก็ต้องไปปรงมรบัดคำว่าปรงมรบัดก็คือไปสารภาพว่าได้ทำผิดแล้วพยายามจะไม่ทำอีกต่อไปถ้าไปสารภาพบ่อยๆซ้ำแล้วซ้ำซากก็อย่าไปสารภาพ มันก็จะมันมันขัดกับเป้าหมายของการสารภาพการสารภาพนี้เพื่อให้เกิดความยางอายว่าโอ้เราไม่ดีเลยนะเราไปทำบาปคราต่อไปนี่เราจะต้องระมัดระวังไม่ทำถ้าถ้าทำเป็นอาจินแล้วไปสารภาพเป็นอาจินก็อย่าไปอย่าไปอย่าไปสารภาพมันเสียเวลาดีกว่าถ้าเป็นอย่างนี้เขาจะต้องขับออกจากหมู่เขาจะไม่ให้อยู่ด้วย ถ้าทำผิดซ้ำซากถ้าผิดครั้งสองครั้งนานๆนนนนทีอย่างนี้พังเผิ่มแต่ถ้าถ้าแต่ถ้าคิดว่าพอกูทำผิดปั๊บกูก็ไปปรงบาบัดแล้วก็หายเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ทำใหม่ อย่างนี้ก็ไม่ใช่ความหมายของการสา ร, รภาพสา ร, รภาพเพื่อให้เราหยุดการกระทำที่ไม่ดีเพราะเราอายเขาที่จะต้องมาสา ร, รภาพมาบอกเขาว่านี่เราเป็นคนไม่ดีนะเราไปขโมยเงินของคนอื่นมาต่อไปเราจะไม่เป็นอีกไม่ใช่มาสา ร, รภาพหลวงกับภาพวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เอาอีกแล้วเดี๋ยวเจอมาม่วงหล่นลงมาก็หยิบไปกินอีกแล้ อันนี้ก็สรารภาพไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่ได้ล้างบาปก็นแล้วกันบาปเก่าที่ทำไปแล้วมันผ่านไปแล้วก็ต้องรอรับผลบาปมันไปถ้ามันเป็นเรื่องเล็กเลน้อยน้อยบาปมันก็ไม่ดุนแรงอะไรต่อไปอาจจะมีมะพร้าวของเราแล้วถูกใครก็มาขาโมยมะพร้าวเราไปกินเท่านั้นเองก็รับผลบาปไปหมดแล้วนะหมดแล้วครับ เ, เวลาก็หมดพอดี